วันนี้ก็เป็นวันแรมสิบสามค่ำเดือนเก้าปีมะโรงตรงกับวันศุกร์ที่สิบสี่กันยายนสองพหรอยห้าสิบห้าเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบในการมรณภาพของหลวงพ่อเทียนนะครบยี่สิบสี่ปีซึ่งท่านจันไปสาร ได้เล่าเรื่องของหลวงพ่อเทียนไว้อย่างละเอียดทีเดียวและมันก็บังเอิญนะว่าในวันที่สิบสามกันยายนเนี่ยองการอนามัยโลกนะก็ให้เป็นวันลดหรือว่างดการค่าตัวตายนะตรงนี้มันมาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเทียนยังไง คือเหตุที่คนข้าตัวตายส่วนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าไม่เท่าทานความคิดนะความคิดมันพาไปแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนให้ออกมาจากความคิดนะเพราะนั้นวันที่สิบสากันยายนเนี่ยเป็นวันที่บังเอิญประจบเหมาะอันพอดีที่อันหนึ่งก็ลณลงให้ออกจากความคิดนะก็คือองค์การนานาไมโลก แล้วก็หลวงพ่อเทียนก็ได้บอกวิธีการในการที่จะออกจากความคิดด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเร า, นาคนไทยที่ได้เรียนรู้วิธีการาที่หลวงพ่อเทียนได้นําเสนอไว้ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ าการออกจากความคิดด้วยการเจริญสติแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนหลังไปก่อนที่หลวงพ่อเทียนจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิแบบนั่งหลับตาใช้ลมหายใจบ้างมีคำบริกรรมบ้าง นะต่างๆและส่วนใหญ่เราก็ไปไปเข้าใจตรงนั้นนะว่าฝึกสมาธิต้องนั่งหลับตานะต้องบริกรรมนะจะเป็นพุโทโธสัมมาร拉หงยุบหนอ่อพองหนอ่ออะไรก็ตามนะนั้นก็เป็นแบบมาตรฐานนะที่คุ้นเคยแล้วก็ทำกันอยู่นะแม้แม้แต่ในปัจจุบัน นะก็เป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดมีพระเรียสงนะหลายรูปนะโดยเฉพาะทางภาคอีสานหะลวงปู่มันน่นเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนีนะ้แล้วก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะซึ่งก็เป็นวิธีการนะเป็นแนวทางนะที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมาก่อนส่วนหลวงพ่อเทียนเนี่ย ท่านก็มานำเสนอในอีกรูปแบบหนึง่งที่เรามาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้รูปแบบของการยกมือสร้างจังหวะเนี่ย <c oughs> จากได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆแม้ <c oughs> แต่ตัวหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าเป็นการดัดแปลงมาจากวิธีการที่เรียกว่าตีงนิ่งของของของลาวที่ท่านได้ไปเรียนรู้ตีงนี่ก็คือไหว นิ่งก็คือนิ่งแต่วิธีการที่ท่านไปฝึกมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะมันจะมีคําบริกรรมด้วยนะคือคําพอเคลื่อนก็ติงพอนิ่งก็นิ่งมีคําบริกรรมด้วยแล้วเวลาจะเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยก็ทําช้าๆนะเหมือนเหมือนกับเราไปฝึกยกย่างเหยียบอะไรเงี้ยนะเหมือนกันเลยนะซึ่งท่านก็ได้ไปฝึกเอ่อฝึกมา นะแต่ว่าเมื่อท่านทำไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่เข้าใจนะก็ได้แต่ความสงบนะตอนหลังเนี่ยเมื่อท่านมาเข้าใจรูปนามเข้าใจธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะท่านก็ดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับชีวิตประจำวันนะก็เคลื่อนไหวเป็นปกติธรรมดานะแล้วก็ไม่ต้องมีคำบริกรรมนะไม่ต้องใส่คำบริกรรมเพราะว่าคำบริกรรมเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะของความคิดนะ ก็ทำให้มันดูซับซ้อนขึ้นแต่เมื่อตัดคำบริกรรมลงไปแล้วนะมาทำให้มันเป็นธรมธรมดาธรรมดาให้มันเป็นการเคลื่อนไหวปกตนะิตรงนี้ก็ทำให้วิธีการนั้นไม่ซับซ้อนนะเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะทำได้ในชีวิตประจำวันนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนีนะ้ที่เราจะต้องมีการเคลื่อนไหว นะมีการทำการทำงานในชีวิตประจาวันนะเวลาที่เราจะหาโอกาสนะมานั่งนิ่งๆสงบนะมาบริกรรมต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะออโอกาสไม่ค่อยอำนวยเท่าไหรนะ่นะักแต่วิธีการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวนะที่หลวงพ่อเทียนได้นำเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับยุคปัจจุบันนะที่เราจะต้องทำการงาน เราจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้สัมผัสหรือประเชิญกับความคิดกับอารมณ์ที่มันปรากฏที่มันแสดงตัวของมันออกมาแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องไปหลบไม่ต้องไปหนีมั น, นคนที่ไม่ได้ฝึก หรือไม่ได้ฝึกกรรมฐานโดยส่วนใหญ่นะนะอย่างพวกเราที่อยู่ในชีวิตในสังคมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเราก็จะมักจะเป็นลักษณะก็คือว่าถ้า อ, อ, อันไหนเป็นความสุขนะเราก็อยากจะเอาเข้ามาอันไหนที่เป็นความทุกข์เราก็อยากจะผลักออกไปนะเวลาเราทุกข์เราบางทีเราก็ไม่ค่อยจะเรียนรู้กับเขาเขามาแสดงตัวให้เราได้เรียนรู้เราก็หนี หนีไปไปทำอะไรก็หนีไปดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างนะหรือในยุคปัจจุบันก็เล่นอินเทอร์เน็ตบ้างนะหรืออาจจะใช้โทรศัพท์บ้างนะอันนี้ก็คือเราเราไม่เผชิญกับความจริงนะไม่เผชิญกับความทุกข์ที่แสดงตัวออกมานะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามานั่งสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเนี่ย นะความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเขาแสดงตัวออกมาเนี่ยเราได้เผชิญหน้ากับเขาตรงๆได้เผชิญกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั้นวิธีการนี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีการที่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาแต่แน่นอนละ่นะความที่เราไม่คุ้นเคยนะความที่เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้นะแรกๆเราก็จะรู้สึกเบื่อนะเราจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านนะ เราเคยมีความเข้าใจนะว่าการมาฝึกกรรมาฐานเนี่ยนะมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันต้องเย็นมันต้องสบายมันต้องปโปร่งมันต้องโล่งอันนั้นคือเป็นความเข้าใจนะที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังมาก็ดีหรืออาจจะเห็นภาพโปสเตอร์ที่เขาโฆษณาก็ดีหรืออาจจะอ่านหนังสือก็ดีนะตรงนี้เนี่ย เมื่อเราไาปฏิบัติมาเผชิญกับความจริงกับอารมณ์กับความคิดแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยที่เรามาฝึกเนี่ยวิธีนี้มันทำไมยิ่งทายิ่งทุกข์ยิ่งทายิ่งฟุ้งซ่านเอ๊ะมันน่าจะสงบนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่คนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเจอทุกคนนะก็คือใหม่ๆเนี่ยมันก็จะ บางทีเรานั่งนานๆมันก็ปวดเข้าเมื่อยนะบางทีก็คิดฟุ้งซ่านไปบางทีก็มีอาการเบื่อขึ้นมานะสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหนะ้าที่มันมีอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจําวันเนี้ยเราไม่เคยได้มาดูเรื่องนี้เพราะว่าเราไปสนใจแต่สิ่งภายนอกกับการงานกับหน้าที่กับคนรอบข้างกับคนในครอบครัว เพราะนั้นอาการปวดอาการเมื่อยก็ดีความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกดูนะหรือบางทีเราก็มีกิจกรรมอย่างอื่นนะที่จะกบเกลื่อนเรื่องนี้ไปนะก็ทําให้เราไม่ได้เห็นความจริงนะมันจะมาฉุกใจเอาตอนที่บางทีเรามีปัญหาหนักอกหนักใจขึ้นมานะหรือเกิดความอึดอัดกัดเคืองขึ้นมานะหรือเกิด สิ่งที่เราคาดไม่ถึงขึ้นมาแล้วเราทำใจไม่ได้ตรงนั้นแหละมันทำให้เรากลับมาดูว่าเอ๊ะความทุกข์ในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนข้างนอกสภาพแวดล้อมข้างนอกหรือเกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่เริ่มมาสนใจเรื่องพวกนี้โดยโดยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ทีเดียวละ่ะนะก็จะเกิดจากการที่มีความทุกข์นะเข้ามาในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนในครอบครัวนะหรือว่าหน้าที่การงานฐานะการเงินหรืออุบัติเหตุนะการเสียชีวิตนะของคนที่ใกล้เคียงหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆแลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะทําให้เราได้กลับมาทบทวนนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะว่ามันเกิดขึ้นตรงไหน เราจะแก้ไข ย, ยังไร น, นี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเราก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงม า, าแล้วแรกๆสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเจอกับความทุกข์ก่อ น, นซึ่งตรงนี้มันก็ไปตรงกับ อ, อ, อริยสัจสี่ข้อแรกก็คือทุกข์ใช่หม เราได้ยินได้ฟังเละอ่านหนังสือมานานนะว่าอริยสัจสี่และพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีข้อแรกก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเจอก็คือความทุกข์นเองแต่ความทุกข์เนี่ยก็มาแสดงให้เราได้เห็นได้ให้เราได้เรียนรู้นะเมื่อเราเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าโอ้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราก็จะแก้ไขและความทุกข์ก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะมันก็มี แลเปลี่ยนไปได้แล้วก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขวิธีการหลงก็เทียนเนี่ยถ้าที่ได้เรียนรู้จากการฝึกจากการอ่านจากการได้ยินใด้ฟังเนี่ยพอสรุปได้เป็นสองขั้นตอ น, นขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นรูปนามหรือบางทีเรียกว่าเป็นขั้นสมมุตินในขั้นนี้เนี่ยก็คือการที่เรามา เดินจงกรมสร้างจังหวะนะสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นอันแรกก็คือรูปกับนามนะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคำว่ารูปเนี่ยนะก็คือกายแล้วก็อาการต่างๆที่มันแสดงออกมานะจะเป็นอาการปวดอาการเมื่อยนะหรือว่าหิวกระหายเย็นร้อนอ่อนแข็งนะอันนี้เป็นสิ่งที่มันแสดงออกมาก็คือเป็นรูป นะส่วนนามก็คือไปที่สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปรู้นะเข้าไปรู้ในรูปนั้นเพราะฉะนั้นในเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าให้รู้รูป ร, รู้นามนะซึ่งการรู้อันนี้ไม่ใช่คิดรู้นะเราฟังนี่อย่าไปคิดรู้หรืออย่าไปพยายามให้มันรู้หมายถึงว่าคิดจใจมันรูนะ้แต่เมื่อเราทําความรู้สึกตัวเนี่ยด้วยการเคลื่อนไหวบ่อยๆ ทำเรื่อยๆทําให้ต่อเนื่องอาการหรือสิ่งที่เรียกว่ารูปนามเขาจะปรากฏขึ้นมาเองเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งอันนี้คิดไม่ได้จินตนาการไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นมาเองเพียงแต่ละทําเหตุก็คือการมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละ นะบ่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่มาฝึกเนี่ยมีเวลาน้อยเนี่ยนะเราจะต้องพยายามใช้เวลาทุกนาทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะโดยกลับมารู้สึกตัวนาะที่กายเคลื่อนไหวนะงดการพูดการคุยนะจะดีมากเลยนะในระยะ5วัน7วันที่เราได้มาฝึกกันนะหรือว่าผู้ที่ฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย นะถ้า ง, งดการพูดคุยได้งดการคุกคีได้เนี่ยนะ่ามันจะช่วยส่งเสริมนะการทําความรู้สึกตัวได้ชัดเจนแล้วรูปนามเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะเมื่อรู้รูป ร, รู้นามแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อเทียนก็บอกว่ารู้รูปทํานามทำนะทำนี้มี2 อ, อันก็คือท่อทงรอเรือสองตัวมอมะ รูปธรรมกับนามธรรมกับอีการหนึ่งคือทอธหารสละอัมธรรมนะก็คือรูปธรรมรูปมันธรรมรูปมันเคลื่อนมันไหวนะนามธรรมเหมือนกันทอธหารสละอัมนะอันนี้ก็คือความนึกความคิดนะที่มันมีนะมันแสดงตัวของมันรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมนามธรรมนะรู้รูปร นามโรคนะรูปโรคก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่มันจะ เ, เกิดขึ้นกับเรานะบางทีอากาศมันเปลี่ยนนะเราจะรู้สึกคัดจมูกนะรู้สึกน้ำมูกไหลขึ้นออกมาหรือว่ามีอาการเจ็บอาการปวดอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือแม้แต่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรเนี่ยมันจะมันจะเห็นชัดเจนขึ้นและมันจะมันจะไวนะ กับสิ่งเหล่านี้นะซึ่งท่านก็บอกว่ารูปโรคเนี่ยเราไปรักษาไม่ได้ต้องอาศัยหมอแตนะ่โรคบางโรคมันก็หายเองได้อย่างเป็นหวัดอะไรเงี้ยมันหายเองได้นะหรือโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายนะี่มันก็มีเหมือนกันนะเนี้เราก็เรียนรู้ส่วนนามโรคนะนามโรคก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลงนั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัญญานะ ซึ่งการเจริญสติการเจริญปัญญาเนี่ยจะช่วยรักษาโรคอันนี้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องรู้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวนะที่ชัดเจนทำไปบ่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะพาให้เราเข้าไปเห็นนะสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็ดีในจิตใจก็ดีนะมันไม่ ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงและมันทนอยู่ไม่ได้และไปบังคับบัญชาไม่ไดนะ้ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าอ น, นิจังทุกขังอนัตตนั่นเองนะซึ่งคนที่ฝึกปฏิบัตนะิอย่างต่อเนื่องเนยจะเห็นสิ่งเหล่านีนะ้จริงๆมันก็แสดงตัวของมันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้ทนะีนี้พอเห็นทุกขังอ น, นิจังอนัตตาแล้วนะทีนี้ก็ เริ่มที่จะไปไปเห็นตัวเราชัดเจนขึ้นนะแล้วก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านใช้คำว่าศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงตัวเรานะคนเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมีความคิดแตกต่างกันไปเพราะนั้นศาสนาก็มีมากมายนะศาสนาคือตัวคนนะในความในคำพูดที่ท่านใช้ แต่ก่อนเราก็จะว่าศาสนาก็คือคำสอ น, นของพระพุทธเจ้านะแต่ในแน่ของคำพูดของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านหมายถึงตัวเรานั่นเองนะแล้วเมื่อเ ร, เรามีความรู้สึกตัวอย่างนี้ชัดเจนนะมันก็จะไปเห็นนะอาการที่มันเริ่มตื่นขึ้นนะเขาเรียกว่าสติปัญญานะถ้าเรียกว่าพุทธศาสนานะก็รู้จักพุทธศาสนารู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนา นะจากความรู้สึกตัวเนี่ยนะแล้วก็ไปรู้ความฉลาดปัญญานะที่เกิดขึ้นนะเราทําแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นนะท่านเรียกว่าบุญนะหรือบางทีทําบางทีเราก็รู้ความโง่เขลาของเราความหลงของเรานะก็บาปนะเรียกว่ารู้จักบุญรู้จักบาปนะอันนี้เป็นในในขั้นแรกนะก็เรียกว่าขั้นรูปนาม เรืองทีกับขั้นสมมุตนะิซึ่งขั้นนี้เนี่ยคนที่ทาใหม่ๆเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอาการอันนึงขึ้นมาคือดีใจดีใจว่าเรารู้เรารู้นั่นรู้นี่รู้แตกฉานออกไปนะซึ่งตรงนี้ท่านบอกให้ระวังนะมันจะทำให้เราคิดว่าเรารู้แล้วคิดว่าเราถึงที่สุดแล้วนะแล้วก็อยากจะพูดจะคุยอยากจะบอกให้คนนู้นคนนี้ทราบ คิดถึงญาติมิตรคิดถึงเพื่อนอยากจะไปพูดอยากจะไปบอกนะเริ่มที่มีความมั่นใจนะเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้นะซึ่งตรงนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสโนกิเลสนะซึ่งตรงนี้ตัวพระภูมิเทตมาเองก็เคยเจอนะสมัยที่ได้ไปบวชเมื่อปี25งพยีและได้ไปจำบัรษาาอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะซึ่งตอนนั้นก็โชคดีนะที่มีกัลยาณมิตรนะ มีพระจันดาจําได้ท่านก็นมาเตือนว่าฉันสมใจนะรู้นิดนิดหน่อยๆอย่าไปทําเป็นอวดดีนะพูดมากนะอันนี้เราก็ได้เอกใจเอยจริงเนาะนะเราไปรู้น้อยเดียวนะแล้วเราก็ไปอวดรู้ไปคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้นะแสดงความรู้ภูมิรู้ของเราออกไปนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเหมือนกันนะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับ ตัวกับผมเรีาายกธรรมะเองแล้วก็ได้กลับมาดูกลับมารู้สึกตัวอีกหลังจากที่เราเผลอเข้าไปในความรู้นะที่มันแตกฉานออกมานะวันนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนขั้นแรกนะเท่าที่ได้ได้อ่านหรือว่าได้จําแล้วก็ได้อมาทดลองปฏิบัตินะในขั้นขั้นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าขั้น -paramat นะหรือบางทีก็เรียกว่าขั้นนะมามรูปนะขั้นนี้เนี่ยนะเราจะเห็นสิ่งที่มั น, มนละเอียดลึกซึ่งเข้าไปภายในตัวเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยนะเราเรียกว่าวัตถุนะวัตถนะุจะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากการกระทบสัมผัสนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น นะแล้วก็ให้เกิดออความรู้สึกต่างๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นวัตถุนะแล้วก็สิ่งที่เห็นขณะนั้นตรงๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าปริมาตรนะแล้วก็มีอาการที่แสดงออกมานะนี้เป็นเป็นในขั้นเรียกว่าเป็นขั้นต้นของขั้นปรมัตรนะซึ่งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีเราอาจะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะแต่ พอให้เห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านในค้นพบเนี่ยมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมีจริงๆนะที่เกิดขึ้นเมื่อรู้จักวัตถุประมัิอาการแล้วนะตอนนี้มันจะไปเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าความโกรธความโลภความหลงนะหรือว่าโทสะโลภะโมหะนะซึ่งมันก็แล้วแต่นะบางคนเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเจนความโกรธไปเร็ว บูฟขึ้นมาเลยมันร้อนขึ้นมาเลยนะลึกที่โลภเงี้ยนะบางทีไปเห็นแล้วอยากได้ของขึ้นมาเลยนะส่วนความหลงนี้เห็นเห็นยากนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่สติของเรายังไม่ชัดความรู้สึกตัวของเรายังไม่ชัดเรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จะโดนสิ่งเหล่าเนี้ยครอบงําอยู่นะแล้วก็เป็นตัวผลักดัน ให้เราต้องทำตามสิ่งเหล่านี้ทีนี้พอเห็นความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าเราเห็นมันชัดๆนะและเรารู้ทันมันนะเช่นมีเสียงมากระทบแล้วเรารู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้าสติชัดความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะรู้ทันล่ะมันจะได้ยินเสียงแต่พอมันจะโกรธมันจะมันจะปิ๊บมันจะเริ่มรู้เลยมันไม่ทันโกรธนะ ความรู้สึกตัวมันจะเร็วมากมันจะไปเหมือนกลับไปละลายเลยนะอันนั้นสำหรับคนที่ฝึกอพอสมควรแล้วแต่คนที่ยังฝึกอินเสียงไม่แก่กล้าก็อาจจะยังโกรธแล้วก็มารู้ทันเอาทีหลังนะซิ่งตรงนั้นโวนความโกรธมันครอบงาเป็นเทบรอยแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันใช้ได้ตนะั้งแต่ต้นจนถึงกลางแล้วก็เปื้องปลายเลยนะ ทีนี้เมื่อรู้ทันความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยนะมันจะใจมันจะกลับมาปกติได้บ่อยๆนะกลับมาได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็ดีความจดจำได้ไหมายรู้ก็ดีนะหรือว่าการปรุงแต่งต่างๆก็ดีเนี่ยนะมันจะเริ่มเป็นปกตินะมันจะไม่มีการปรุงแต่งนะเรียกว่ารู้รู้ขันทั้งสี่ นะเวทนาสัญญาสังขารบิญญานะที่ไม่ทุกขนะ์ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะปรากฏให้เราเห็นชัดเจนนะแล้วก็จะไปเห็ น, นกลไกนะของการปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาอีกนะก็มี อ, อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะกิเลสนะแล้วก็กรรมนะที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้ น, นจากการที่เรามีความรู้สึกตัว เ, เข้าไปตนอะนหลังนี้เราก็จะไปเห็นสิ่งที่มันตกค้างมันเป็นความเคยชินเป็นสิ่งที่หมักหมมนะถ้าเรียกว่าอนุใสก็ดีทนะ่านใช้คำว่ากามาสะวะภวาสะวะอวิชชสะวะ นะการมาสวาคก็คือความติดอกติดใจนะในสิ่งต่างๆนะจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้ที่มันยังนอนเนื่องอยู่ยังฝังอยู่ยั ง, ย, งยังไม่หมดไปซนะึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เราเพียรพยายามทําอย่างต่อเนื่องนะทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบ นะเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะมันจะไปเห็นการกระทำนะที่เป็นอกุศลก็ดีนะทางกายทางวาจาทั้งใจนะทำแล้วนะมันจะเกิดผลยังไงนะทำให้ใจเร า, เาปกติหรือไม่ปกตินะถ้าเราทำไม่ดีเป็นอกุศลนะท่านก็บอกว่าไปตกนรกนะชั้นคุ้มไหนชั้นไหนมีกี่เดือนกี่ปี นะนั้นก็คือสิ่งที่ท่านเปรียบเทียบนะเหมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยนะเมื่อทำไม่ดนะีใจเราก็จะเก็บฝังแน่นไว้นะบางเรื่องเราเก็บไว้วันหนึ่งบางเรื่องเก็บไว้เป็นเดือนบางเรื่องเก็บไว้เป็นปนะีอันนี้ก็คือการการทำในสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็การกระทาทางกายทางวาจาทางใจนะรวมกันทั้งหมดเนี่ย นะเกิดผลยังไงนะ น, นี่ก็เกิดเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้นะในทางตรงกันข้ามนะการทํากายนะการกระทําทางกายที่เป็นกุศลนะเป็นความดีนะทําให้เราจิตใจสบายอดโปงโล่งนะตรงนี้เนี่ยนะนานกี่เดือนกี่วันกี่ปนะีท่านก็บอกเหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะปรากฏให้เราได้เห็นนะถ้าเราทำความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะพอถึงตรงจุดนี้เนี่ยจะไปถึงจุดสุดท้ายนะเรียกว่ า, าหมดการยึดถือเลยนะท่านใช้เรียกว่าอาการเกิดดับนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้พูดไว้นะแต่ตัวทํามะเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเนะพียงแต่ จ, จำได้เป็นสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้นะเมื่อถึงที่สุดแล้ว นะท่านบอกว่ายานก็จะเกิดนะก็คือรู้ว่าตัวเองนั้นถึงที่สุดแล้วนะไม่ต้องอทำอะไรแล้วหมายถึงว่าสบายแล้วนะซึ่งตรงนีนะ้ก็จะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะก็คือมียานที่จะรูนะ้ว่าที่สุดทุกนั้นคืออะไรนะท่านก็จะเปรียบเทียบนะว่าเหมือนกับเอาเชือกมาขึง นะแล้วก็ตัดตรงกลางนะเชือกเนี่ยเมื่อขึงเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยเอามาต่อกันไม่ติดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปริศนานะเป็นสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้นะก็ถ้าจะเปรียบเสมือนก็เหมือนกับการที่เออเรามองอะไรต่างๆเนี่ยอายตนะต่างๆเนี่ยนะสัมผัสเข้าไปแล้วนะเราก็เห็นนะสักแต่ว่าเห็น นะมันไม่ได้เข้ามาปรุงแต่งจิตใจของเราแม้แต่ความโลภความโกรธความหลงนะก็ไม่มีอิทธิพลนะที่มาทําให้เราเป็นไปตามนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดเอาไวนะ้แล้วก็ได้บันทึกเอาไว้ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือนะมีหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้ท่านบอกว่ า, เ, าเมื่อหลวงพ่อนะเสียไปแล้วจะได้มีแผนที่นะสําหรับคนปฏิบัติ นะว่ามันมีเส้นทางอย่างไรเพระาะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะพิสูจนะ์น่าจะได้ทำให้เกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวกระผมฤตามายเองได้อ่านได้ฟังนะแล้วก็มีความศรัทธานนะว่าวิธีการนี้เนี่ย <c oughs> เป็นวิธีการที่ชัดเจน แล้วก็มีเส้นทางที่ชัดเจนด้วยและเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดผลตามนั้นแม้ว่าจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่มันก็มีผลเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะในในในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยนะท่านก็จะพูดถึงอุปสรรคนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอันแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่เมื่อรู้จักรูปนามใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะเนี่ย เกิดความรู้แบบแตกฉานหลงตัวเองลืมไปไม่กลับมารู้สึกตัวนะที่เรียกว่าพิปัสส น, นูนะตรงนั้น <c oughs> แล้วก็ในช่วงที่สองเนี่ยนะเมื่อเข้าไปรู้สิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งนะก็เรียกว่าจินตยานนะจินตยา น, นี้ก็คือรู้สึกอดใจดีขึ้นมาใจสบายขึ้นมานะรู้สึกมีปิติซาบซ่านขึ้นมานะตรงนั้นนะก็ไปหลงอยู่ในอารมณ์นั้นอีกไม่กลับมารู้สึกตัว เพราะนั้นวิธีการแก้ก็คือกลับมารู้สึกตัวเนี่ยบ่อยๆนใจมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติและสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่ท่านเข้าใจถึงที่สุดเนี่ยท่านบอกท่านมีความรู้สึกตัวเบานะเหมือนกับลอยได้่ะท่านก็เอ๊ะมันทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นม า, นาเหมือนเดิน <c oughs> เดินลอยเด่ะท่านก็เอ๊ะนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย น, น, นี้ก็คือวิปปาลนะก็คือ มันไม่ได้เป็นความจริงลรกจิตมันหลอกเอานะซึ่งตรงนี้พอกลับมารู้สึกตัวอีกท่านก็เลยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะกับเราในบางทีเราไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะต้องอาศัยถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านก็ตักเตือนแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกน้อยนี่แหละมันจะเป็นตัวปรับสมดุล ที่ให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนะี่เส้งจากตรงนี้เนี่ยเท่าที่ได้ยินได้ฟังนะจากครูบาอาจารย์ก็ดีคนรุ่นเก่าๆก็ดีนะก็เล่าสู่กันฟังว่าในการเข้าใจธรรมะเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในขณะที่เราทำในรูปแบบนะหรือบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกรูปแบบนะอย่างจำได้ว่าภรรยาของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็คือแม่เทียนเนี่ย เข้าใจธรรมะถึงที่สุดเนี่ยตอนเก็บไฟน่ะนี่อันนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังก็คือถึงที่สุดก็คือมีความรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวมันจืดแล้วก็บอกหลวงพ่อเทียนว่าไอ้มันเป็นอะไรตอนนั้นหลวงพ่อเทียนยังไม่ได้เป็นพร ะ, ะเป็นโยมท่านรู้ธรรมะแล้วท่านมาสอนคนแรกก็คือสอนภรรยาของท่านคนที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ไปค้นหานี่เองนะคนที่บอกว่าเจ้ากระตกนรกนั่นแหละะท่านก็มาสอนแล้วก็ เป็นคนแรกเนี่ยนะที่ที่ท่านไปสอนพอบทบอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะมันหมดเนื้อหมดตัวหลวงพ่อเทียงก็บอกโอ้ยอย่าไปอยู่ในตรงนั้นนะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยนะก็กลับมาคืนสู่ความเป็นปกติชาวบ้านบางคนเนี่ยนะรู้จักรูปนามขณะที่เอาอาหารให้หมูเออก็มีอันนี้ได้ยินจากคนบ้านบุหงาเล่าให้ฟังนะคนเท่าคนแก่อันะนี้ก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้นะในรูปแบบก็ตามในนอกรูปแบบก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยพยายามทําในรูปแบบเอาไว้นะมันจะเป็นฐานสําคัญนะโดยเฉพาะความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐานสําคัญตัวกระผมด้วยตมาเองตอนที่ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆเนี่ยนะในช่วงประมาณปีประมาณปีสอหนึ่งนะตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรแล้วก็อาศัย อาณาปณสตนะิใช้ลมหายใจนะก็สงบแล้วในช่วงนั้นก็ไปอ่านหนังสือหลายเล่มเนะขาบอกให้มองจิตให้ดูจิตให้ตามจิตนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะก็มึนหัวเลยนะฝึกไปอย่างนั้นเนี่ยนะได้มาเจอกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่ อ, ขอเขียนนะท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนตรงนี้จะเป็นฐานสําคัญเพราะนั้นการฝึกของพวกเราเนี่ย นะอย่าไปดูถูกนะไอ้รูปแบบเนี่ยนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยนะเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไปรู้ไปเห็นนะสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่มีอยู่ภายในตัวเราเนี่ยนะมันเป็นนามธรรมเราจะไปดูมันตรงตรงนี่บางทีมันดูไม่ได้มันต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะซึ่งเป็นตาตาในตาที่สามนะตัวนี้จะเป็นตัวเกลี่ยหรือเป็นตัวปรับสมดุลได้อย่างดี นะและสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาเราเพียงแต่เป็นผู้ดูนะเราไม่ต้องไปเป็นเข้าไปเป็นกับเขานะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะปล่อยวางเองนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยเกิดขึ้นไดนะ้ด้วยความรู้สึกตัวนี้เองเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวนะซึ่งเป็นธรรมะที่กระทัดรัดมากนะท่านใช้คาว่าเป็นธรรมะอึดใจเดียวหนะลวงพ่อเทียนท่านใช้คานี้นะ แลจริงๆเนี่ยการที่เรามาทำความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งความเพียรมีทั้งการวิจัยอยู่ในตัวนะที่องค์พุทชงเจดเนี่ยนะมันมีอยู่ในตัวหมดเลยนะเพียงแต่เราทำให้บ่อยๆทำให้เรื่อยๆทำให้ต่อเนื่องนะพยายามงดการพูดการคุยการคุกคีนะตรงนี้จะทำให้เกิดผลซึ่งก็อย่าเชื่อนะให้พิสูจน์ ทีนี้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปในวันนี้ก็ดีสิ่งที่ไปอ่านจากหนังสือก็ดีนะอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ความจำนะหลวงพ่อเทียนบอกรู้จำรู้จักนะไอสองอันนี้มันก็เพียงแต่เป็นความรู้นะที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากการอ่านนะมันยังเสื่อมคลายได้มันยังไม่แน่นอนเมื่อเรามาฝึกปฏิบัตินะจนมันเกิดกับตัวเราเองจริงๆ จนเราแก้ไขปัญหาได้จริงๆอันนั้นเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเท่านั้นเองอ่ะเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จริงๆไม่รู้หรอกมารู้จาเอาซึ่งตรงนี้หลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้ปราชิกสี่เออนี่น่าสนใจปราชิกสี่นี่ส่วนใหญ่เราจะคิดถึงเฉพาะพระนะแต่จริงๆเนี่ยคนทุกคนนะปราชิกสี่ก็คือขาดจากความเป็นพระ มีอะไรบ้างนะข้อแรกเขาบอกเศษเมตุนะเศษเมตุนนี่เราจะไปว่าใจเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่ในความหมายของหลวงพ่อเทียนนะท่านหมายถึงว่าเราไปคุกขี่กับความหลงนะนะ่และความลืมตัวอันเะนี้ยก็จะทําทให้เราขาดจากความเป็นพระนะอันที่สองก็คือรักของเขารักของเขาเนี่ยก็คือได้ยินได้ฟัง ภาวะสภาวะทำอะไรต่างๆจากครูบาอาจารย์แล้วนแล้วก็เอาไปเป็นของเราทั้งๆที่เราไม่ได้ทำนั่นแหะก็คือรักของเขาก็คือไม่ได้ทำนะไปเข้าใจว่ารู้แล้วนะแล้วก็อันที่3ามก็คือข้าสัตว์สัตว์ในที่นี้ไม่ใช่สัตวะนะสัจจะคือความจริงความจริงที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเราทิ้งไปเราไม่ได้เรียนรู้เขาก็คือเนี่ยก็เป็นประาชิก ดนะ้านสุดท้ายก็คืออวดอุตริมนุสธรรมยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองคุยโมก็ไปเรื่อยเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำบางทีให้เราหลงลืมตัวนะไปนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งทีเ่เราสามารถจะใช้ได้และหลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าคนที่เข้าใจธรรมะจะต้องมาบวนะท่านใช้ใช้คาว่าพุทธบริษัทสองนะนี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ ก็ดิ้งจพุทธบริษัท4ที่อันบอกพุทธบริษัทสองมีผู้หญิงผู้ชายทุกคนสามารถเข้าใจได้ถ้ามา ป, ปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะกับตัวเองด้วยความเพียรด้วยความพยายามนะสิ่งที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งจดจำอ่านมานะก็เป็นความรู้ที่ได้จากการจดจาอีกส่วนหนึ่งได้จากประสบการณนะ์ก็อยากจะให พวกเราได้ลองพิจารณานะว่าเป็นจริงไหมนะก็ด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวเราเองละนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เ อ, อมานำเสนอเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเทียนได้มรณภาพครบ24ปีปีนะที่เมื่อวานนี้นะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นกำลังใจนะกับพวกเรานะที่ได้มาพฤติ ป, ปฏิบัติและได้เห็นเส้นทางนะของการเดินทาง ที่ชัดเจนขึน้นในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้ความภาคเปลี่ยนพยายามของทุกท่านเนี่ยเป็นพละวัปัจจัยหนุนนําหนุนเนื่องส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นนะได้เข้าใจนะสิ่งที่เป็นความจริงนะก็คือความเป็นปกติของใจโดยชั่วหน้าทุกท่านเทิดเจริญพร